คนไทยอยาให้แพ้คนจีนเนะก็เรียนเร็วมากเลยเพราะเขาเสียค่าเรียนเสียค่าหรือบินค่าอะไรพวกเราบางทีมาเข้าคอร์สมาเล่นเล่นมาปิกนิกไม่เสียค่าใช้ใจ่ายถ้าเวลาเราอยากได้ธรรมะนะแล้วมันไม่มีต้องดิ้นรนหานะจะรู้ว่ามีคุณค่า ถ้าประเภทเปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอแล้วนี่ธรรมดาเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่นั่งรถตั้งนานนั่งรถทัวร์นั่งรถงไฟไปต่อรถฟิกอัพเข้าหมู่บ้านอย่างงี้ที่รถไปไม่ถึงก็เดินไปันเวลาเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรนะพยายามจำ พยายามทำความเข้าใจก็ได้ยากที่ไปพอนาตามวัดเนะไม่มีเส้นวัดก็มีเส้นมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกวัดนะปกติไม่ไม่รู้จักใครเลยนะข้าวอีกกินเนี่ยไม่มีเลยเอาขนมไปมนหลังเรารู้แล้วมันมีข้าวกินขนมขนมลูกเต่าอะไเพว้ เก็บได้หลายวันมื้อหนึ่งกินสามลูกลูกแค่เนี้ยกินมากกว่านั้นไม่ได้แบตไปไม่ไหวเยอะกุฏิดีๆเขาไม่มีอยู่ก็เลยไ ม, ม่อยู่กุฏิรวมมีแต่ขี้เมาพวกนั่งรถทัวร์มาเที่ยววัดหลวงพ่อเลยไม่ค่อยนิยมให้พวกเรารวมกลุ่มกันไปทอดท่าป่าทอดโน้นทอด น, อ น, อดนี่เที่ยว คนวัดแท้ๆเขาดูถูกเขาเรียกว่าพวกอรหันต์ทัวร์ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นพวกทัวร์ก้าวัดเป็น แ, แบบนั้นไม่ได้พอนานเที่ยวไปนี่เราจะต้องไปอยู่กับพวกเหี้ยหา ย, ยานี้นะเราไม่ได้พอนานแมวอาอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ฝ น, นตกพุติ ไม่มีคนอยู่มีมุมดไปอยู่ใต้ถุดนตปหลายๆรอบแนละ้วครูบาอาจารย์ท่านคูนจะให้จัดที่ให้เลยฮนะมีครั้งท่านให้ไปขอขอุตขากุติกุติพระปฏิท่าให้อยู่กุติพระนี่พระเลขาท่านพระพระถามไม่ว่างให้ไปขอคุณใจพระเป็นไม่ให้ เราไม่พูดสากคำนะไม่ให้ก็ไม่ให้ก็อยู่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นเดือแร้อนเลยไปอีกคราวหนึ่งเราโกรดไปด้วยขอท่านเลยขอไปอยู่ในป่าไม่อยู่กุฏิท่านก็ให้รูปปัจจานะให้ไม่ต้องยุ่งกับใครพอหนางเราสบายเวลาที่เราไปหาธรรมะด้วยความลาบากนะต้องเห็นคุณค่า เวลาเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคำของท่านเราพยายามฟังพยายามทำความเข้าใจยามจำไปกันสองสาคนไปฟังกลับมาเนี่ยหลวงพ่อจะมีบันทึกนะเฉยไม่เป็นแฟ้มเลยที่คุยกับครูบาอาจารย์คนชอบมายืมไปอ่านนะ ไ, ไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีตั้งแต่จหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่ิมอะไรอย่างนี้ เทปก็อ่านไม่ได้ซีดีไม่มีหนังสือไม่ค่อยมีมีก็ทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องกรรมฐานเอาเทปไปหัดเลยเดี๋ยวท่านว่าเขาไปนั่งจดก็ไม่ได้จะเรีดีดท่านใช้ได้วิธีเดียวนะคือจำเรียนแบบคลาสสิกมากเลยเหมือนสมัยอินเดียเลยคือเอาเทปไปตั้งแล้วนะทำบ้านหนีหมดเลยท่านท่านไม่พูดแล้ว บางทีท่านก็กลัวเราจําไม่ได้ก็ทวนถามจําได้ไหมจาได้เข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่จะจำไว้เออไปไปได้อย่างนี้ไปได้อะไรที่เราได้มาอย่างยากๆนะมันมีคุณค่าได้ง่ายๆไม่มีคุณค่าธรรมะ ท, า, ม า, ทาไมครูบาอาจารย์แก่มากๆนะ คนไปถามธรรมะท่านตอบเรียเร้ยบเรี้ยบเรี้ยไม่ผิดเลยท่านได้มายากภาวนามาแทบแย่กว่าจะเข้าใจขึ้นมามันถึงอกถึงใจของได้ยากธรรมะจริงๆกว่าจะได้พ้นออกไปนะยากท่านสวนนิพ่านอยู่ฝากตายเรื่องจริงเลยแต่นั้นขั้นสุดท้ายเนาะ ถ้าขัน้นต้นๆไม่ยากหรอกนี่ต้องบอกเองนี้เดี๋ยวพวกโยมท้อแท้ใจจะยากอะไรถือศีลห้าไว้ไม่ได้เอาศีลแปดด้วยซ้ำไปมีศีลห้าฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองสบายๆรู้สึกตัวไปดูกายใจทำงานไปตอนไหนดูไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบพักผ่อนไม่เห็นยากอะไรหลักก็มีเท่านั้นเองแต่ขั้นละเอียดขึ้นไปนะ เลือดตากระเด็ด น, นะยากเลมันยากตรงที่บา ร, รมีเราไม่เต็มถ้าบา ร, รมีเต็มมันไม่ยากอ่ะบา ร, รมีนะมีสิบตัวทุกตัวจะไปลงตรงที่ว่ากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะังนเราลงตรงนี้นะทานนั้นบา ร, รมีนี่กล้าสละ อย่างพระเวสสันดรตั้งใจไหมใครมาขอชีวิตก็จะให้ให้เป็นทานไม่หวงชีวิตเห็นธรรมะสำคัญกว่าชีวิตพวกเราอะเห็นชีวิตสำคัญกว่าธรรมะไหมนั่งก่อนน้ำเมื่อยหน่อยหนึ่งเอาเอาไว้ก่อนดี ก, กว่านอนก่อนนี่เห็นชีวิตสำคัญกว่าธรรมะนี่ก็ายากสิบาลมียงอ่อนสีลบาลมีเนี้ย รักษาศีลจนยอมตายกล้าไหมตัวเองตายยังไม่เท่าไหร่นะรักษาศีลจอกระทั่งลูกจะตายก็ยอมเนี่ยโอ้โหฝังแล้วโหดสุดๆเลยนะโหดแบบน้ำตาตกในอกเลยนะตกเป็นเลือดเลยนะต้องกล้าหาญขนาดนั้นอดทนขนาดนั้นนะมีสัจจะไหม นาสาสัตจจย์ยอมตายก็ได้มีเมตตาไหมมีความเมตตายอมตายได้มีเนคขมมะมอยากออกจากการามลําบากแค่ไหนก็ไม่กลัวถ้าเรายุคนี้ไม่ออกเนคขมมะเราบวชเปงั้นแนะอยู่ไว้ก็เหมือนอยู่บ้านมีของเล่นเยอะแยะหลวงพ่อไม่ชอบพระเล่นอุปกรณ์ไอทีเลย สู้ยากเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอาเวลาที่ไหนภาว น, นาไปเล่นโยมเล่นนั้นยังไม่ว่านะแค่สังเวชืว่อเธอปากเธอบอกอยากได้นิพพานนะแต่วันวันเธอลายทั้งวันเลยนะสีเนี้ดังปลอยง่ายนะเล่นมากๆเขียนอะไรเวอร่อๆไปนะสีเนี้ดังปลอยนะ เขียนไปวิจารณ์คนอื่นไม่มีข้อมูลเสียงก็ดังพลอยแล้วในํมมามะอย่าไปติดในความสุขความสบายมากเอาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันทำให้ใจอ่อนแออย่างพระกลัวอดข้าอะไรเงี้ยไม่กล้าไปทุดดงอะไรกลัวอด อแดแอร์หลวงพ่อยังไม่เคยถึงขนาดอดนะเคยเรียกว่าไม่มีกรรมที่อดข้าวมีกินตลอดอย่างไปวัดที่ว่าไม่มีข้าวกินนะคนอื่นตักไปหมดแล้วเราหมดแต่สวดมนต์เขาทําวัดเช้าเราไปทําวัดเช้าที่จริงเขาเป็นทีม เขาทําคนสองคนที่เหลือเขาไปตักข้าวไปเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยลงมานะมีแต่โต๊ะเปล่าๆไม่มีกินไม่มีกินก็ตั้งใจมันนี้ไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนช่างมันอดข้าววันหนึ่งเดี๋ยวไปกินน้ําคิดอย่างนี้นะเดินกลับขึ้นสระหลวงปู่เทศก็กดมือเรียกท่านรู้ว่าเราอดข้าวแนละ้วเอาบาตรขอท่านให้ เคได้กินข้าวกลนบาทท่านนะ่ากินน่ากิ น, น, กนไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนั้นเลยเพราะกาลังหิวเต็มทีเลยสิ่งที่ทำให้อร่อยคือความหิ ว, วหนะจำไว้นะถ้าหิวแล้วอร่อยไม่อดไม่อดไม่เคยอดกินนะไม่เคยอดนอนไม่เคยภาวนาโต้รุ่งแต่เคยสอนกรรมฐานโต้รุ่ง ตอนเป็นโยมสวออนานะเจอครูบาอาจารยนะ์ท่านจะบอกมันง่ายง่ายง่ายนะประโมทนะเขาว่าอย่างนี้แล้วท่านก็อย่างเงียบๆไปนิดนึงแต่ก็ยากเหมือนกันแหละ <c oughs> ขั้นต้ น, ตนๆไม่ยากหรอกแต่ขั้นจะข้ามภพข้ามชาตินะข้ามทุกข์ยากตองสละชีวิตได้เลย อ่นพุทธปรวัติตอนที่พระเจ้าบรรลุพระชายเศรษฐาบรรลุพระอรหันต์นะวิมานผจนนะมานมาไล่ให้ลุกไม่ลุกเอาตายจะรู้สึกอย่างนั้นจริงจะรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ลุกขึ้นนะตายแน่นอนไม่ต้องมานมาฆ่าเราหรอกจิตเราจะระเบิดมันเห็นทุกข์ทุกข์มาก ทุกเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนะลงมาบทขยี้ลงมาที่หัวใจเราที่เดียวเลยทุกอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรทุกเท่าจิตแต่เดิมเห็นว่าจิตเป็นของพิเศษไม่เป็นจิตเป็นตัวดีตัวไม่ทุกข์ร่างกายออกทุกความรู้สึกมันทุกแต่จิตไม่เคยทุกเวลาจะแตกหกักจิตนั่นแหละตัวทุกไม่มีอะไรทุกเท่าตัวจิตนะอัศจรรย์จริงๆ เรารู้สึกนะเพะว่าไม่ลุกขึ้นมาตายแน่นอนนยะรู้สึกเดี่ยถ้าบารมีเราพอนะตายก็ตายตายเพื่อธรรมะนะจะได้ไม่ได้ช่างมันอนะ่ะแต่ไม่ถอยสู้ไม่ไม่ยอมไม่เลิกอนะ่ะเรียกว่าสู้ตายสู้แล้วตายแน่นอนไม่เคยคิดว่าจะชนะเลยปรับทุกข์มันจเพิ่มเพิ่มเพิ่ม ม, ม, ม, ม, มันระเบิดเปลี่ยนเลยนะไม่ตายหรอกกิเลสออกตายกิเลสมันตายแทน ถ้าบารบมียังไม่พอก็สะสมไปอย่างวัดหลวงพ่อตอนนะี้มีเนรบางคนเนรเนนภาวนาดีมาบวชไม่กี่วันนะภาวนาดีไปริ้วรๆวรวร้นีม่มหาวิไลจะเปิดแล้วเดี๋ยวมที่นี้จะสึกแล้วบารบมียังไม่พอมันไม่ตัดสู้เอาไม่รู้จะ บ, บ้า ย, ยังไงแนละ้วสอนให้หมดแล้วนะ สอนละเอียดยิบไม่มีใครสอนละเอียดเท่านี้แล้วล่ะอยู่ที่ทําเอาเองนะช่วยตัวเองได้แต่เชียร์เอาใครจะส่งกันบ้านนมันสการค่ะโยมมาปฏิบัติที่วัดดีกว่าอยู่ที่บ้านค่ะมีเวลามากกว่าการอยู่บ้านนีนมันจะยุ่งภาระมันมี ห่วงโน้นห่วงนี้นะอยู่วัดไม่มีภาระะไรแต่ถ้าอยู่ประจํามันก็เหมือนอยู่บ้านนะม่มีภาระนี่เราคล้ายๆเป็นแขกมาเราไม่ต้องรับภาระอะไรพราะนาสบายแต่ยกเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่บ้านจิตสบายอะคะ่ะแล้วก็ภาวนามาอย่างที่หลวงพ่อสอนน่ะนะคะแต่ว่าระยะแรกห้าปีแลคะค่ะที่ที่โยมภาวนา ระยะแรกเข้มงอดกับตัวเองมากค่ะไม่ดูทีวีแต่สามปีหลังนี่เริ่มดูบ้างค่ะก็แต่ว่าหลังจากที่ปิดทีวีอ่ะมันจะรู้สึกตัวชัดกว่าปกติอะค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งยมยมก็เห็นว่าพอปิดทีวีก็เห็นขินตัวอะไรไม่ทราบมันมันขึ้นมาจากหน้าอกอะค่ะแล้วมันกําลังจะเดินห่วไปหาตัวละครที่ชอบอนะนั่นแหละเน่รู้ทันนะถ้าตายไปเราไปเกิอดอีก มันไหลไปไม่ทราบว่ายงโรนกิเลสหลอกฝั่งเจ้าค้าไม่หลอกหลอกเห็นอย่างนั้นแหละเห็นถูกแต่ว่าทีวีไม่จาเป็นเราก็ไม่ดูนะดูนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างดูเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เนี้ยได้อย่างเราพอนานนะใจเรา ว, ว่างว่างมาตั้งหลายวันแล้วว่างว่างนิ่งน่งไปดูละครมันตบ ก, กันสองที ใ, ใจก็ชอบไปก็ชอบมาเออ เดี๋ยวี้หนังไทยยังด่ากันไหมตีกันตบกันนะอะไรอ่างเง้าไม่ดูละครไ ม, ไม่ไม่ดูละครทีวีก็ดูแล้วกิเลสที่ยังไม่มีก็มีกิเลสที่มีแล้วมากกว่าเก่าอีกอาว่าส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วถ้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ดีก็จะไม่ดูแล้วกันไม่ดีหรอกรายการธรรมะมันมีให้ฟังไหมแทบไม่มีเลย มีก็ตอนดึกๆยอะไรเงี้ยนะตอนเชา้ชาๆชา้ชาเช้าเช้าต้องต้องดูนะธรรมะเกเๆก็เต็มไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ยมฟังซีดีหลวงพ่อไม่ได้ดูไม่ได้ดูธรรมะจากทีวีเลยก็ขวาดบ้านถูบ้านไป <c oughs> ทางซีดีไปเปิดเสียงให้ได้ยินแล้วก็ทำงานไป <c oughs> นะละครอย่าไปดูมันมันโกหกปูยยะตาใหญ่หลวงพ่อสอนมาน ะ, ะก่อน มันไม่มีละครทีวีนะตอนหลวงพ่อเด็กๆโทรทัศน์ยังไม่มีมีแต่พวกลิคงลิเกสอนบอกไปดูเขาทำไ ม, เ, ำมาาเราทำมาหากินเราทำมาหากินไม่เห็นเขามาดูเราเลยเลก็สอนอย่างนี้นะสอนเราเรียบร้อยเราตกข้ามแกก็คว้าตะกร้าหมากไปดูลิเกเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนหลงพ่อเล่นลิเกได้นะ ก็ต่อในโลงทิเกเลยพ่ออุ้มเราไปดูด้วยกลางวันนะ่ะพาไปฟังเทศนะตอนเย็นไปไปดูทิเก๋มรสกรของพ่อครับก็ช่วงนี้รู้สึกภาษาข้างนอกเยอะครับหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามภาษ า, า, าที่ไม่ชอบใจมั้งใช่ครับเยอะแล้วภาษาข้างนอกมีเท่ากันทุกวันนะ่ะ ตามมองเห็นหูได้ยินเสียงยมีทุกวันครับแต่เขาตัวสึกว่ามันห่างตัวออกไปเออดีครับแล้วก็เห็นบางอย่างละเอียดขึ้นอย่างเช่นแบบบาทีทําอะไรบางอย่างจะรีบหยิบรีโมทแอร์ AI อย่างนี้ก็บางทีก็เห็นโทรศัพท์ขึ้นมัร้อน น, นั่นอะไรเงี้ยเออดีดีครับส่วนการปฏิบัติก็ก็ตัว<อ>สึกว่าที่เล่ามาเ น, นั่ยแหละปฏิบนะัติอ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> ก็คือพอดี รู้สึกว่าบางทีเราถ้าเกิดเราหนั่งสมาธิเราไปดูลมหายใจเนี่ยนาทีมันจะเคยชินกับการที่ว่าเราเอาจิตจิต เ, เราไ ป, ไปจับอยู่ที่ลมครับพอดีเรา <c oughs> ผมคุยกับเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกัน <c oughs> เพื่อนบอกว่าให้เริมดูลมหายใจไปก่อนให้กลับมาดูเอาความรู้สึกได้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าอะไรก็ได้นะแต่ถ้าถนัดลมหายใจเราปรับวิธีรู้แทนที่ไปรู้ลมหายใจนะมารู้ร่างกายที่หายใจครับ ใจก็จะตื่นสว่างว่างขึ้นมาครับแล้วแล้วผมควรต้องแก้ไขยังไงต่อฮะไม่แก้หรอกนะดูอย่างที่มันเป็นครับสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดก็คแค่เห็นเท่านั้นแหละครับเห็นแล้วมันมาแล้วมันไปแค่นั้นแหละไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปแก้ไขอะไรหรอกครับกราบนะ้าารับอาจารยับหลวงพ่ออืม ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้วครับออ ม, มาถวายตัวให้หลวงพ่อทุกตีครับอเอางั้นเลยเหรอครับผมตีคนไม่เป็นหรอก <c oughs> ต้องฝึกหนะ้าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้ว ร, รู้ฝึกบ่อยๆพอเรารู้ทันนละ้วใจก็ตื่นขึ้นมาถ้า ใ, ใจตื่นแล้วดูขันมันแยกออกไปแล้วเห็นขันมันทํางาน การค่ะหลวงพ่อหนูอยู่วัดสิงหาคมปีที่แล้วอะค่ะแล้วก่กอนกลับหนูถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมหลวงพ่อเท่าที่หนูจำได้หลวงพ่อบอกว่าได้แล้วก็อย่าเลิกแล้วหนูก็คิดว่าหนูไม่เลิกค่ะที่ผ่านมาหนูก็ทาในรูปแบบมาตลอด ทีนี้เนี่ยหนูก็รู้สึกว่าโยนิโสมนนะสิการหนูเนี่ยใช้การไม่ได้ อ, อ้าวทาไมละ่ะก็เพราะว่าหนูไม่เห็น <c oughs> แล้วก็หนูเข้าใจว่าหนูปฏิบัติตอนแรกหนูหนึกว่าหนูเป็นกลางแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆเรียนไปนะนต้องค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆเห็นไปปุ๊บปั๊บจะเห็นทุกสิ่งทุกอ ย, าย่างแล้วเป็นไปไม่ได้เลยสติสมาธิปัญญาเราละเอียดขึ้นแค่ไหนเราก็เห็นสภาวะละเอียดได้แค่นั้นนะ เร่งเกินไปก็ไม่ได้คือหนูรู้สึกว่าการภาวนาเป็นเรื่องละเอียดออกมากแล้วก็แบบสภาวะมันมันละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเราเรียนเท่าที่เรียนได้ไงเราะนหลวงพ่อจะไม่เร่งนะว่าให้ไปดูสภาวะที่ละเอียดไม่จําเป็นเลยสภาวะที่หยาบสอนใจรักนะสภาวะละเอียดก็สอนใจรักเหมือนกันบางคนดูหยาบห ย, ยาบนี่แหละมันรู้ไปเลยก็มีอย่าง พระสมัยโบราณนั้นที่บรรลุพระละหันนะบางองค์นะเห็นว่าชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนแค่นี้ก็บรรลุแล้วเคยได้ยินบทสวดนี้ไหมอ น, นิจจาวัตสังขาราอุปาทวยาธรรมมิโนปะชิตตบะทิรุตชันติเตสังบูปัสโมสุโภเวลาพระชักปักตุคุณสมบอติอันนั้นมีพระองค์หนึ่งบรรลุพระละหัน์นะท่านมองเห็นแค่นั้นเนี่ยเห็นว่าชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นี้ท่านบนรรลุแล้ว นี่หยาบที่สุดเลยเห็นของหยาบที่สุดก็เห็นมันเป็นไตรลักษณ์บางองค์ก็เห็นละเอียดขึ้นมาหน่อยเป็นกลางๆงเห็นว่าชีวิตแต่ละช่วงวัยนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปชีวิตช่วงเด็กผ่านไปแล้วชีวิตวัยรุ่นผ่านไปแล้วชีวิตหนุ่มสาวผ่านไปแล้วชีวิตกลางคนผ่านไปแล้วชีวิตตอนแก่กําลังจะผ่านไปพอท่านเห็นแต่ความแปรปลวนนะเห็นดูเป็นช่วงช่วงช่งละเอียดกว่าดูองค์แรกนี่ องคแรกดูนี่ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดชีวิตเนี่ยเกิดแล้วตายนะไม่มีสาระองค์นี้เห็นว่าแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยละเอียดขึ้นไม่มีสาระอย่างนี้ท่านก็บรรลุเหมือนกันส่วนที่พวกเราฝึกเนี่ยเราดูละเอียดยิบเลยดูเป็นขณนะขณะรูปธรรมนามธรรมอะไรประชุมกันเกิดขึ้นทีละขณะขณะมีสัญญาเข้าไปหมายมีใจเข้าไปคลองดูการทํางานละเอียดยิบเลยก็เห็นใจรักเท่ากัน นั้นจริงๆอย่ากเพร่อละเอียดนะเห็ น, นั่นเดียวกันนะเป็นไตรลักษณ์อย่าไปกังวลเว<ม>่าของละเอียดเดยอะหรืเกินยังไม่ได้ดูหนูก็เลยจะเหมือนกับขอข อ, ขอถามหลวงพ่อว่าหนูยังเหมือนกับคือคือหนูก็ปฏิบัติไปแบบที่หนูปฏิบตัติแบบนี้นะคะ<ม>คือไม่ต้องไม่ต้องทุรน ท, ทุรายอะไรนะแล้วสติสมาธิปัญญามันแก่รอบขึ้นมันจะเห็นละเอียดขึ้นเองหละ เรายิ่งอยากเห็นรายละเอียดยิ่งไม่เห็นเลยแล้วก็รายละเอียดหรืออยากก็ไม่สำคัญไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเห็นไหมว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปหนูเห็นใช่ไหมคะหนูว่าหนูดูเห็นไหมใจกงังวลกลัวจะภาวนาไม่เป็นรู้รอเปล่าอย่าไปกลัวสิรู้ทันความรู้สึกของเราสดๆร้อ น, อนๆนี่แหละ แล้วความรู้สึกนี่แหละสอนธรรมะเราสอนให้เห็นว่าไม่เที่ยงสอนให้เห็นว่าบังคับไม่ได้อย่าไปกังวลมากไปภาวนาให้มันสบายสบายไว้คือว่าหนูติดดีใช่ไหมค่ะแล้วก็ติดดีเดี๋ยวหนูก็ทุกพอหนูทุกแล้วหนูเห็นว่าโอ้ติดดีแล้วทุกเหมือนก็คลายใครมาบอกให้เราไม่เห็นด้วยตัวเราเองก็ไม่ไประโยชน์อะไร ค่อยๆดูค่อยๆเห็นไปก็เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเป็นลำดับลาดับไปอย่ารีบร้อนรีบไปแล้วไปละจอไป ส, สบายไปขอกอกาสส่งกันบ้านครับส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเกือบปีมาแล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อให้การบ้านว่าให้ไปปฏิบัติต่ อ, อแล้วก็ย้ำว่าให้จำไว้จนวันตายอะไรเงี้ยครับมผมก็เลยลืมไปแล้ว ไม่ลืมครับตอนแรกก็งงครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจเลยครับเพราะว่ามันมันไม่อยากปฏิบัติอะไรนะครับความฉันทะมันค่อยๆลดลงลดลงแต่ที่แยก่กว่านั้นก็คือมันทุกครั้งที่จะปฏิบัติในรูปแบบอะไรเงี้ยมันจะมันจะคอยมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปฏิบัติตลอดเนยครับแต่ว่าตอนแรกๆผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะเราขี้เกียจไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมัน มันเป็นเพราะว่าปฏิบัติมานาหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอนี่ฮะแล้วก็ก็เลยก็เลยมันขี้เกียจไปเรื่อยหรือเปล่าอื ม, มาหลังๆเนี่ยฮะมามามาเช็คดูอีกทีรู้สึกว่ามันจะหนีซะมากกว่าครับ ม, มันจะเข้าทางหนีนครับเพราะครั้งหนึ่งผมเคยถามหลวงพ่อเหมือนกันที่เชียงรายนะฮะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่มี มันยังอ่อนไปมันไม่มีแรงพอที่มันจะเทคตัวข้าม อ, อไปได้เนะี่ยฮะผมแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ดีอย่างอย่างช่วงมไม่ดี อ, อย่างใจมันซุดออกไปก็เลยว่าเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเข้าใจครับ อ, อแต่ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดพลาดมากใจม<า>ไม่เป็นกลางเลยเราจะเอาดีเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเราพอวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นนียดีก็ไม่ดีก็เท่าๆกันน่ะเกิดเราตับบังคับไม่ได้แต่เราไม่ทําชั่วนะเพราะเรามีศีลแล้วทําไมมันถึงพยายามที่จะหนีการปฏิบัติล่ะครับหลวงพ่อบางคนมันกลัวนะมันรักตัวเองมากเลยมัภาอนาไปช่วงหนึ่งมันกลัวตัวเองหายไปทนไม่ได้หลบเลี่ยงไม่อยากปฏิบัติกลัวไปเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี มันก็เห็นหลายทีแล้วฮะวก็กลัวกลัวมันกลัวต้องทนทนเราดูไปจะมันชินเหมือนกลัวผีเห็นผีบ่อยๆแล้วไม่กลัวนี่เราเห็นความไม่มีตัวตนบ่อยๆมันก็เลิกกลัวไปเองเนี่ยมีตัวไหนที่ต้องเสริมนะครับหลวงพ่อครับ <c oughs> ใจเย็นๆไว้อย่าหวาังผลเอาอะไรนะที่เราภาวา ม, มาเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการในระดับที่ใช้ได้ละ ความความรู้สึกที่เคยอยากจะส ก, กิดให้คนอื่นมาเรียนรู้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วดีแล้วล่ะ น, นั้นถูกต้องแล้ว <Okay. S 1> มัวส ก, กิดคนอื่นเราเลยไม่ได้ภาวนาเอาตัวรอดกันขอบคุณครับครูบาอาจารย์สอนนะบอกฝึกตนเองดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นนะมัวห่วงคนอื่นก่อนแล้วเลยไม่พัฒนาโค ก, การหลวงพ่อครัรกกบอืม ไม่ได้ส่งกันบ้านนานหกเจ็ดเดือนนะครับมผมสังเกตสภาวะเวลามันจิตไปติดทางซ้ายติดทางขวาติดพบนู่นติดพบนี่เพื่อว่าจะได้เวลาติดอะไรจะได้ไม่ติดนานนะครับดีแล้วก็พยายามปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้คือคือพยายามสังเกตสภาวะจากเด็กๆอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำ พอดูมากๆก็ไปจําจําแบบเข้ามาพอไปจําของเด็กเข้ามาไม่มันไม่เป็นธรรมชาติจริงออืจิตก็จะไม่ถึงฐานอืเพราะมันไปจําสภาวะเข้ามาออืครับทีนี้มันมันที่หลวงพ่อให้ทําเหป็นเด็กอะหมายถึงว่าทําแบบไม่ได้จงใจเนี่ยด็กไม่ได้จงใจที่จะควบคุมตัวเองมันมีความรู้สึกหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็แค่รู้แค่เห็นไปซึ่งเด็กไม่รู้ไม่เห็น มันมันมันรู้ขึ้นมาขณะต่อไปก็เกิดไปจับขณะหนึ่งผู้รู้ขณะหนึ่งมันเป็นผู้เป็นนะครับถูกผู้รู้ก็เป็นเที่ยงครับทีนี้ก็จะสังเกตว่ารู้แล้วมันตั้งมั่นหรือเปล่าอืมอ ม, มันเป็นอยู่แล้วเรารู้อยู่หรือเปล่าอืมก็คือดูมันหมุนไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยครอย่าอย่าจงใจดูเยอะนัก น, นะครับรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องจงใจละเอียดยิบหรอกครับ อยันจะเครียดเกินก็ใช้ถ้าถ้ามันแบบมีความเครียดอะไรก็ใช้วิธีการไปหาของอร่อยกินนะฮะเรอะเพื่อะไรก็อ้วนสิทั้งนั้นก็พอสมควรนะหรือบางทีใช้ใช้การจิบน้ำชาอ่าเงี้ยแล้วดูจิบที่กระเพื่อมไปตามสเรีดไปกระทั่งจะกินน้ำชาอย่างเงยอะไปค่อยดูเีกเรากินน้ำชาให้ผ่อนคลาย ไม่ต้องเดินปัญญาตลอดเวลาก็ได้นะให้มันเบรกตัวเองเป็นช่วงๆไปแล้วพอนามสดชื่นถ้าจะพอนาตลอดเวลาเลยนี่เครียดไปเราสงชาญไม่ได้เวลามันจะทำสมาธิมันก็เลยไม่ไม่สงบลงไปเพราะว่ามสงบรมันจะไปเดินปัญญามันมันมันมีความไหวตัวอยู่ภายในตลอดเวลาใช่เพราะเวลาคิดถึงเราต้องการพักผ่อนนะไม่เดินปัญญาแล้วล่ะ ให้ใจน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายๆครับฝุณครับครรมนรมาสการครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ไม่ได้ส่งการบ้านมาเกือบปีแล้วครับเลยรู้สึกดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมอมอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับใจมันสบายก็รู้ว่าสบายดิใจมันว่างๆรู้ว่ามันว่างๆนะใจพุ่นวายรู้ว่าพุ่นวายอ่ รู้จากสุขรู้จากทุกไหมก็รู้ครับแต่สุขก็รู้ทุกก็รู้นะดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้ไปเล่นเล่นรู้ไปสบายสบายการภานาพอละเอียดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่หวือหวาเหมือนช่วงแรกๆนะครับผมมันจะเนียนเนียนกว่ากันดูเล่นเล่นเลยแสดงว่าสุขมาแล้วมันก็ไปนะทุกมาแล้วมันก็ไปนะ แล้วหลวพ่อมีการบ้านอะไรจะให้หรือเปล่าครับอย่าใจร้อนนะรู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าดูจิตแล้วมันโล่งว่างไม่มีอะไรดูก็ดูกายไปเห็นก า, า, ายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูงั้นถ้าดูร่างกายแล้วใจมันจะเข้มแข็งวันนี้ถ้าดูจิตรวดไปเลยนะบางที่เบาไปเบา ไ, ไปแล้วเหมือ น, นไม่มีอะไรให้ดูงั้นถ้าดูจิต แล้วมันเฉยๆไปนะเข้ามาดูกกลไปขอพระคุณครับกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ปกติหนูฟังซีดีพระอาจารย์ประจำอะค่ะแล้วก็มาวัดเรื่อยๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนติดอะค่ะเพราะว่าเหมือนไม่พัฒนาค่ะแต่ว่าส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายสองปีที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าให ให้ปล่อยปล่อยเพราะประคองอะค่ะให้ปล่อยปล่อยให้ใจกล้าๆหน่อยหลังจากนั้นหนูก็ปล่อยอะค่ะคื อ, อ ท, ทําในรูปแบบก็น้อยลงแล้วก็ไม่สนใจหมายถึงว่าตอนนี้ตอนนี้กลับไปทําได้ละ <c oughs> ปล่อยนานไปละ <c oughs> หนูให้ปล่อยช่วงแรกๆอะเพราะเราติดเพ่งค่ะตอนนี้มันคลายออกแล้วเราก็ทําในรูปแบบไปอย่างคือที่สงสัยคือว่า คือหนูเหมือนไม่กลัวหมายถึงว่าไม่จิตไม่เข้าฐานก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าไม่เข้าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นคือแค่รู้มันเลยทาให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่เข้มแข็งหรือว่าไม่สนใจในการปฏิบัติหรือเ่าคะก็เพิ่มเพิ่มใจให้เข้มแข็งขึ้นหน่อยนะเราความรู้สึกให้มันแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่ง แล้วถ้าปล่อยแล้ว เ, เราเหยไปเรื่อยแล้วบอกเจริญสติในชีวิตมันส่ว่าไม่มีสติจริงสมาธิมันไม่พอจริงมันไหลไหลไหลไปเรื่อยนะอย่างนี้คือที่ที่ทําอยู่ก็คือมันยังไม่มีกําลังพอสมาธิไม่พอใจไม่ตั้งมัน่น<ะ>ใจมันไหลไหลไหลไปเรื่อยนะอันนั้นตอนแรกที่หลวงพ่อให้หยุดไปเพราะเราติดเพ่งอย่างแรง<ะ>ตอนนี้มันหายจากการเพ่งแล้วแล้วก็ ใจมันเริ่มไหลไปเรื่อยๆแล้วให้รู้ทันมันไม่ไม่ต้องไปกลัวเรื่องติดเพ่งแล้วละ่ะค่ะมันรู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงไม่ติดหรอกค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอืมส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติไปและกนะ้าวหน้าคือเขาก็จะเห็นทุกข์ใช่ไม่มคะแต่หนูมีความสุขตลอดเวลาเหมือนว่ามั น, นกมนนนะ็มีทุกขานะมีแต่ความสุขนะภาวนาแล้วมีแต่ความสุขเยอะเลยค่อยไปเห็นทุกข์ทีเดียวเอง งันหนูขอเป็นแบบนั้นบ้างเนอะ <c oughs> แล้วแต่เวียนแต่กรรมหน้าเลือกไม่ได้หรอกได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์พอดีว่าวันนี้มีพาพี่มาด้วยอะค่ะพี่เคยฟังสีดีพระอาจารย์เริ่มม า, มาประมาณสามสี่เดือนแล้วก็ <c oughs> เริ่มนั่งสมาธิแบบพุทโธค่ะแ ต, <c oughs> <น>แต่ว่าพี่แบบมา <c oughs> <น>ครั้งแรกลเลยคะ<น>่ะอยู่ข้างแล้วก็ไม่ไม่กล้าถามหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูบอกให้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อถามอะไร ก <Okay. laughs> ารนัตกา ร, รครับหลวงพ่ อ, อมีผมเพื่งกาหัดนั่งสมาธิเมื่อไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยฮะเวลาเราพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตเราไม่ได้พุโทโธเอาสงบนะพุโทโธแล้วถ้าจิตหนีไปเรารู้ว่าจิตหนีไปครับพุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้ใช่หลักนี้นะ ถ้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธให้เงียบไปไงี้ใช้ไม่ได้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตครับช่วยจำหน่อยนะเหมือนพุโทโธไปแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นทำอย่างนั้นแหละแล้วจะก้าวหน้าฝึกไม่ยากหรอกการนมพ่อครับเขเหมือนเห็นใจเหมือนผาตาด ขั้นในมีความเศร้าความทุกข์เขาอยากจะรู้อันนี้เพราะอะไรคือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะแค่แค่รู้ไปเรื่อยๆใจมันเศร้าอยู่ก็รู้อย่าให้ความเศร้ามันครอบงำได้ให้รู้ไปแล้วสุดท้ายมันจะเห็นในทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นเลยใจนั้นก็ไม่ใช่เราไอ้ความเศร้านั้นก็ไม่ใช่เราถูกความรู้สึกเศร้ามันครอบงําใจนะ ใ จ, ใจสดชื่นไว้มีความสุขเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเศร้าเขาถามอยู่ต้ อ, อใจเหมือนเสื้อผ้าเปิดหลายชั้นภาวนาะได้ยขึ้นคือเราเปิดลอกเปกตัวเองนะคือแต่ละคนนี่มันจะมีมารยา อย่างเวลาเราคุยกับคนนี้เราก็ทำวางฟอร์มแบบนี้คุยกับคนนี้เราก็ทำท่าแบบนี้มนมีตัวปลอมให้เรารู้ว่าไอ้นี่ยเป็นตัวปลอมรู้จักมันในสุดเราก็จะเจอตัวจริงของเราเองอย่างเวลาเราคุยกับเจ้านายเราก็มีตัวปลอมแบบหนึ่งเราคุยกับลูกน้องเราก็มีตัวปลอมอีกแบบหนึ่งเราคุยกับพ่อแม่เรามีตัวปลอมอีกแบบหนึ่งอย่างี้ เราก็รู้ว่าเนี่ยเราจงใจสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูดีแต่ถามแล้วสร้างไหมสร้างสร้างแต่รู้ว่าอันนี้เราทำขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติต่อคนแต่ละคนในสังคมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับทุกคนนี่า ก, กับพ่อแม่เราเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับลูกน้องเราอย่างนี้แต่เรารู้ว่าเนี่ยเราจงใจทาอย่างเนี้ยให้ดูดี รู้ทันตัวเเรื่อยๆเวลาทำอะไรไม่จะทำให้ดูดีเรื่อยๆซั่นมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงเราร้ายร้ายทุกคนนะแต่ให้เรารู้ทันว่านี่แกล้งทำเป็นเรียบร้อยแกล้งทำเป็นดีนะาเรารู้ทันว่านี่แกล้งทำอยู่นะต่าไปเราเห็นตัวจริงคล้ายๆเปิดเปลื อ, นะลอกอก อ, กอกไปลอลอกลอกออกไปที่เมืองชีนมีหัวหอมหมลูกหัวหอมรู้จักหมรู้จักต้นกล้วยไหม เหมือนลอกต้นกล้วยอลอกออกไปทีกเปลือกก็นนะลอกไปเรื่อยสุดท้ายไม่มีอะไรเจอตัวจริงตัวจริงไม่มีอะไรเราไปสร้างเปลือกขึ้นมาจนให้เห็นว่าชั้นเป็นอย่างนี้แหละชั้นเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ตัวจริงเอาหมดแล้วนะเชิญกลับบ้าน